ภาวนาอย่าไป น, นึกว่ายากนะยากอะไรหรอกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัว mm hmm. แล้วก็ดูไกายเขาทำงานดูใจเขาทางานใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่เผลอไปไม่เพ่งหน่อยเผลอไปก็ลืมเนื้อลืมตัวเพ่งอยู่ก็เครียดไปใช้ไม่ได้เพ่งอยู่รู้สึกนะรู้สึกตัวอยู่แต่เครียดใช้ไม่ได้ ดูเล่นๆดูสบายๆพวกที่ติดสมาธิมาเก่าๆนะพวกนี้แก้ยากจะติดอารมณ์เก่าหลวงพ่อบอกยิ้มไว้ยิ้มไว้ไวอทุกคนยิ้ ม, มแค่บอกพวกโกนยิ้มมาใจพวกเราก็าสว่างแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ยิ้มหวานๆแล้วเห็นในตัวนี้มันยิ้ม <c oughs> เห็นในตัวที่กําลังยิ้มเนี่ยมันยิ้มเห็นในตัวที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยหายใจ รู้สึกไปเรื่อยเห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่จิตนะจิตเป็นคนไปรู้ไปเห็นมันค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปถ้าฝึกชำนาญแล้วไม่ต้องเจตนานะไม่ต้องยิ้มก่อนกำลังหน้าบึ้งอยู่เห็นเลตัวนี้หน้าบึง้งหายบึ้งเลยนะหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมเลยยิ้มทั้งวันเลยเดินไปไหนก็ยิ้ม ที่ช่วยไม่ได้มันมีความสุขก็พอวนาเนี่ยนะเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกไม่ต้องดัดจริตนะไม่ต้องทำรู้สึกนะไม่ต้องนะหนึ่งพัดแล้วรู้สึกสบายสบายนะแม่งวันมาชุบไล่ไปทีนะพัดต่อรู้สึกฝึกไว้นะกรรมฐานในชีวิตประจำวันเนี่ย เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดยากกว่ากรรมฐานตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์ทำในรูปแบบซิเวลาเราทําในรูปแบบนะเราลดอายตนะลงตาเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากใช่ไหมมันดูอยู่ที่เดิมอย่างเดินจงกรมมันก็ดูอยู่แค่นั้นแนหะหรือนั่งสมาธินะสวดมนต์อยู่หน้าห้องพระหน้าตู้พระอะไรของเราหน้าโต๊ะพระบางคนไม่มีห้องพระมีโต๊ะอยู่ตัว ตั้งพราไว้บางคนเอาพระต่อข้างฝาไว้นะทำชั้นใส่ไว้ให้นั่งสมาธิอยู่เห็นแต่พระเห็นมาตั้งหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมนะมีแมงมุมมีอะไรอย่างเก่านะไม่มีอะไรเร่าใจเรานะธรรมดานะตาเนี่ยไม่ได้สนใจหูก็ไม่มีอะไรจะฟังอยู่ที่เดิมจมูกก็มีกลิ่นอย่างเดิมนะลิ้นก็ไม่ได้กินอะไรอมน้ําลายไว้เฉยๆนะร่างกายก็อยู่ใน ท, ที่ที่คุ้นเคย เหลือแต่กรรมฐานนะเหลือแต่ร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่กําลังนั่งอยู่อะไรเงี้ยอันหนึ่งนะกับใจส่วนอายตนาตาหูจมูกลิ้นเนี่ยนะแทบไม่ได้ใช้เลยใช้กายกับใจงั้นเล่นอยู่ซอยายตนะเองเวลาทําในรูปแบบง่ายๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะเห็นใจหนีไปคิดใจเป็นคนดูเล่นอยู่แค่นี้มันก็เก่งง่ายคลย้ๆชกกับคู่ชกสองตัวเอง แต่คนที่จะฝึกกรรมฐานในชีวิตประจําวันได้นะต้องเก่งกว่านั้นเราชกกับนักมวยฝีมือดีทีเดียวหคนเลยเดี๋ยวตาก็วิ่งไปดูรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจปรุงแต่งคิด น, นึกไปมันทํางานหมุนจีดอยู่รอบตัวเลยงั้นถ้าใครสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นะเก่งเก่งไม่เก่งดูกันตรงนี้แหละ ไอ้กเก่งอยู่ในห้องพระหรือเก่งอยู่ในวัดเนะี่ยเก่งอยู่ในกุฏินั้ธรรมดาเรื่องเล็กยังมีพระมาจากสุรินนะสมัยก่อนท่านลงมาแล้วท่านก็ถามว่ามาทําไมมาทดสอบตลอดพรรษาเนี่ยอยู่ในปา่าภาวนาไม่ยุ่งกับคนเลยออกพรรษาแล้วเลยเข้ามากรุงเทพแล้วเป็นไงสอบตก ผู้หญิงมันสวยกว่าที่เคยเห็นอีกนะเพราะไม่เห็นมันนานนะอะไรๆดูมันหน้าดูมันดึงใจกระเจิงๆเลยบอกว่าอ้นี้สู้ผมไม่ได้หรอกผมเห็นมันทุกวันเลยนะเห็นผู้หญิงที่ว่าสวยๆดูดูบ่อยๆไม่สวยแล้วบางคนก็มีขี้ตาบางคนก็เผลอๆก็เอาเอ า, เอาเล็บไปแค่ฟันเล่นอย่างนนะไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลย ถ้าเราสามารถฝึกอยู่ในชีวิตจริงได้นะแกร่งมากเลยฝึกอยู่ในกุฏิพระในห้องพระในวัดในบ้านอะไรธรรมดาไม่ยากเลยยังอวดว่าเก่งจริงไม่ได้หรอกต้องออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยแต่การทำในรูปแบบก็จำเป็นนะมันคือการซ้อมเราจะโชคมวยเราก็ต้องซ้อมโชคก่อนก่อนจะขึ้นสนามจริงขึ้นเวทีจริง งันทุกวันทําในรูปแบบต้องทําแค่2องายตนะเนี่ยสู้ไหวไหมมีกายกับใจยังจะรักษามีสติคุ้มครองรักษาจิตตัวเองได้ไหมการทําในรูปแบบจะทําให้เราได้พลังนะแล้ได้ความชํานาญเหมือนเราซ้อมชก ไ, มได้ชํานาญแล้วก็มีแรงเก่งในสนามซ้อมอย่างเดียวไม่เคยชกเลยใช้ไม่ได้นะ ไม่ได้เป็นแชมป์โลกเวลาซ้อมโชคมวยแนละ้วไม่มเสมอตัวไม่แพ้ไม่ชนะเลยออกสนามจริงนะไม่แพ้ก็ชนะแพ้ก็คือสู้กิเลสไม่ไหวถูกกิเลสลากออกไปชนะก็คือสามารถคุ้มครองรักษาจิตเอาไว้ได้ การปฏิบัติเราต้องทำให้ครบนะในรูปแบบเพราต้องทำอยู่ในชีวิตประจำวันก็ต้องทำเก่งด้านใดด้านหนึ่งไม่พอแต่ครูบาอาจารย์เคยสอนนะว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี้นี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติการทาในรูปแบบมันเหมือนซ้อมลบไม่เคยลบจริงแต่ออกรบโดยไม่เคยรบไม่ซ้อมลบเลยก็ตายเร็วสู้ไม่ไหวรล้วงันต้องซ้อมนะ จะเป็นนักมวยก็ต้องซ้อมชกแล้วก็ออกมาชกจริงๆจะเป็นแชมป์โลกได้หรือจะถูกน็อกก็ให้มันรู้ไปวันนี้โดนน็อกก็ต้องไปซ้อมใหม่แล้วออกมาสู้อีกจะเก่งไดยเฉพาะอยู่ในห้องพระแล้วออกมาสู้ในชีวิตจริงให้ได้วิธีปฏิบัติในชีวิตจริงๆทำยังไงอายตนะมีทั้งหช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจ หมุนตลอดเวลานกระทบอารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ระทบทางตาเดี๋ยวก็ระทบทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจที่คิดนึกหมุนติ้วๆอย่างเงี้ยไม่ต้องส่งจิตไปคุ้มครองทางอายตนะคำว่าสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมกูกลิ้นกายใจไม่ใช่แปลว่าไม่ดูไม่ฟังไม่ต้องไปคอยระวังเวลาดู ไม่ต้องระวังเวลาได้ยิ น, นแต่เมื่อเราดูเราเห็นรูปแล้วนะความรู้สึกมันจะเกิดที่ใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภกดโกรธหลงเกิดกุศลเกิดที่อย่ที่จิตที่ใจเรานี่เองมีสติรักษาใจไม่อันเดียวคำว่ามีสติรักษาใจไม่ใช่แปล ว, ว่าห้ามโกรธห้ามโลภห้ามหลงห้ามทุกข์สติไม่มีหน้าที่ไปห้ามอะไรมัอนอย่างนั้นนะสติคอยรู้ทัน ใจเราสุขขึ้นมารู้ใจเราทุกข์ขึ้นมารู้ใจเราดีรู้ใจโลภโกรดหลงรู้ตามองเห็นบางทีใจก็เกิดสุขหูได้ยินเสียงบางทีใจก็มีความทุกข์นี่ยจมูกได้กลิ่นบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์นะ่ยแต่ละอายตนนะกระทบเข้าไปเดียวมันก็มาสุขมาทุกข์อยู่ที่ใจร่างกายกระทบสัมผัสเช่นอากาศ ร, ร้อนลมเย็นเย็นโชยมานะมันมีความสุขอยู่ในใจ พอใจให้คอยรู้ทันใจของเราไว้นะื่องการปฏิบัติในชีวิตประจาวันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่ดมกลิ่นไม่รู้รสไม่รู้สัมผัสทางกายให้มันกระทบไปเถอะตามธรรมชาติธรรมดานะแต่ว่าไม่ต้องแสบสายมีอะไรดูก็ดูอันนั้นะมีอะไรได้ยินก็ได้ยินอันนั้ น, นนะไม่จาเป็นต้องเรื่องมาก ต้องฟังซีดีหลวงพ่อเท่านั้นถึงจะกระทบทางหูไม่ใช่ได้ยินข้างบ้านด่ากันนั่นก็เสียงกระทบหูแนละ้วข้างบ้านด่ากันนะความรู้สึกมาเกิดที่ใจเคยได้ยินไหมข้างบ้านด่ากันเคยได้ยินไหมคนเมืองได้ยินนะอย่างหลวงพ่อจะไม่ได้ยินนะอยู่ห่างไกลมนุษย์มากเลยมีแต่อามนุณพวกจิ้งเลนจิ้งก่าอะไรนอามนุ์นะนกนี่อามนุณ เวลาเราได้ยินเพื่อนบ้านด่า ก, กันเรารู้สึกไงรู้สึกลำคาญไหมใครลำคาญยกมือใครดีใจยกมือสิมีนะต้องมีแน่นอนเลยสะใจนี่มึงรักกันนักนี่มึงตีกันแล้วเนี่ยผัวเราทิ้งเราทุกวันเนี่ยผัวแกเริ่มทิ้งแกบ้างแล้ว ดีใจดีใจโมทนาสาธุนี่เธอจะได้รู้ว่าความทุกข์ในโลกเป็นยังไงเนี่ยทำใจเป็นกุศลเสียอีกความเจอือนิสัยไม่ดีหรอกชี่ อ, อิจฉาใครเคยเป็นบ้างเห็นคนอื่นแย่แยแล้วสะใจดีใจโอสาธุนี่มันต้องอย่างนี้ผู้ยอมรับความจริงพวกที่เหลือก็เป็นนะแต่แกล้งทำเป็นดีส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งนั้นแหละ ใครมันจะวิเศษนักหนานะอย่างเราเห็นคนที่เราเกลียดมันแย่แยๆเราก็ดีใจอะเนื้อตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเราคิดอะไรก็ถ้ามันคิดอะไรขึ้นมาเราเกิดสุกรู้ทันเกิดทุกรู้ทันเกิดกุศลรู้ทันเกิดลบหลดลงรู้ทันนะรู้ทันอยู่ที่ใจอันเดียวนิ่งนะเวลาฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันเนี้แต่ถ้าใจมันเฉยทําไง ใจเฉยก็รู้กายไม่มีอะไรให้รู้ก็รู้กายไปใช้หลักนี้นะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายใช้หลักนี้ถ้าดูจิตก็ไม่รู้เรื่องดูกายก็ไม่รู้เรื่องใจฟุ้งเต็มทีแล้วนะเดินไปก็พุทโทไปก็ยังดนะีแต่เวลาข้ามถนนอย่ามัวแต่พุทโทนะเดี๋ยวคนอื่นเขาพุทโทนะแบนเตะแต่ไปแล้วนะให้มันรู้หน้าที่บ้างดูจิตได้ดูจิตไป ถ้าจิตนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในธรรมะทั้งปวงกุศลก็อยู่ที่จิตอกุศลก็อยู่ที่จิตมรรคผลก็อยู่ที่จิตใครรู้ทันจิตไปจิตสุข ก, ก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตลบปกดหลงก็รู้รู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะให้ตาหูจมูกลิ้นใจใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาแล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกเกิดขึ้นตามธรรมดาเราก็ตามรู้ความรู้สึกนั้นเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป บางคนที่จะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดนะั้นมันเกิดได้เองเราสั่งมันไม่ได้อย่างใจจะสุขหรือใจจะทุกข์ใจจะดีหรือใจจะชั่วเลือกไม่ได้มันเป็นเองตรงที่เห็นว่ามันมีแล้วหายไปเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่ามันเป็นไปเองไม่อยู่ในอำนาจเรียกว่าเห็นอนัตตาทำวิปัสสนานี่วิปัสสนานะ้นสสนนะยังไม่ได้ไปเดินเตนท่าให้คนดูเลยนะ ได้ยินข้างบ้านด่ากันเท่านั้นเองใจเราสะใจเรารู้ว่าสะใจเห็นความสะใจเกิดได้เองดับได้เองนี่จเจริญตัญญาเรียบร้อยแล้วนะง่ายๆอย่างนี้แหละงั้นต้องฝึกนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่ถ้ามันดูมากไปมันฟุง้งซ่านดูมากไปไม่ดีฟุ้งซ่านมากไม่ไหวแล้วก็หลบข้อพักอย่างดูหนัง ธรรมดาเราก็ดูรูปอยู่แล้วนะใจเราก็กระเพื่อมเป็นระยะระยะไปดูหนังไปดูละครนะมันก็ดูเหมือนที่ตาเห็นรูปธรรมดาเนละแต่ใจมันกระเพื่อมแรงอย่างดูละครนะเขาจะบิวความรู้สึกเรานะเดี๋ยวให้รักเดี๋ยวให้โกรธเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋วเบี่ยงเราตลอดเวลาเลยรู้สึกไหมในชีวิตจริงเราก็เบี่ยงนะแต่มันไม่เร็วขนาดนะั้นมันไม่ไม่เบี่ยงเร็วขนาดนะั้น อันนยิ่งเหวียงอารมณ์ของเราได้แรงเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่นะเขาถือว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จในการพาคนไปตกนรกนะพาคนไปตกนรกนรกชื่ออะไรนรกนรกชื่อหัสิตะนรกชื่อหัสิตะนี่พระเจ้าพูดเองนะสมัยพุทธกาลนะมีนักแสดงดังมากเลยนะชื่อในในลูกตาล ในลูกตาลหรือตาลปุตตะทำไมชื่อลูกตาลไปเกิดใต้ต้นตาลทำไมไปเกิดใต้ต้นตาลก็แม่ไปคลอดตัวนั้นเลือกได้ที่ไหน เ, เห็นแม่เป็นอนัตตา <c oughs> เราเลือกไม่ได้แม่ไปคลอดอยู่ใต้ต้นตาลเลยชื่อในลูกตาลชื่อตาละปุตตะปุตตะคือลูกชายาแต่ลวงปู่ตาเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงมากนะคนชอบวันหนึ่งไปเฝ้าพุทธเจ้า แล้วก็ไปคุยไม่ไปเรียนนะไปคุยกับพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่ครูบาอาจารย์ในการละครได้บอกว่าข้าพระองค์เป็นนักแสดงพวกเรานักแสดงนะได้ทําให้คนมีความสุขทําให้คนลืมความทุกข์เป็นบุญเป็นกุศลมากถ้าพวกเราตายไปเราจะได้ขึ้นสวรรค์ชื่อหัสิตา อันเนี่ยครูบาจารย์ของข้าพระองค์พูดอี่านีน้จริงไม่จริงพระเจ้าค่ามาถามพุทธเจ้านะพระเจ้าเงียบไม่ตอบตาลุบพุทธตก็ถามครั้งที่สองก็ไม่ตอบอีกนะท่านไม่อยากตอบให้กระเทือนใจเหมือนคนมาถามอะ่ะผมไปเรียนจากพระอาจารย์นี้มาพระอาจารย์ปาโมชกว่างไงไม่ตอบะใช่หลักเดียวกันนะตอบแล้วกระเทือนใจะ ถามครั้งที่สามพระพุทธเจ้านะมีธรรมเนียมนะถามสามครั้งจะตอบให้ถือว่าแกอยากรู้จริงๆนแะล้วสงเคราะห์แกแกต้องรับผิดชอบในคําตอบนี้เองนะอบอกว่าไม่จริงหรอกเป็นนักแสดงนะจะไปขึ้นสวรรค์ได้ไงเป็นผู้ที่ทํากิเลสของตนนะซึ่งยังไม่มีให้มีนะทำกิเลสที่มีแล้วนะให้แรงขึ้น อย่างบางทีก็ต้องบิ้วอารมณ์ใช่ไหมเศร้าโศกุู่ผัวทิ้งแล้วผัวยังไม่ได้ทิ้งซะหน่อยนะแต่บิ้วไปให้เศร้าโศกเนี่ยทำอกุศลของตนนะที่ยังไม่มีให้มีที่มีแล้วให้งอกงามทากุศลที่มีอยู่ให้เสื่อมไปกุศลใหม่ก็ไม่เกิดแล้วทําอกุศลของคนอื่นที่ยังไม่เกิดนะให้เกิดด้วยอย่างเราไปดูหนังเราก็เศร้าตามนางเอกรู้สึกไหม ส้าตามนางเอกไปนี่จิตเราเปน็นอกุศลนะตามที่เขาเล่นนะเขามาทำให้จิตเราเปน็นอกุศลนะเหมือนเราไปทำจิตคนอื่นเปน็นอกุศลเราก็บาปนะบอกเนี้ยทำกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะทำกิเลส ท, ที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นทำกุศลที่มีอยู่ให้หายไปทำกุศลหายไปแล้วไม่ยอมเกิดอีกเลยเวลาเราดูหนังดูละครเราขาดสติไหม หรือเรามีสติตาเห็นรูปโูได้ยินเสียงมึงเล่นอะไรกูก็เฉยอย่อย่าไปเสียเวลาดูไม่ได้ประโยชน์อะไรมีโมหะทำให้คนหลงอย่างนั้นก็หลงรูปเห็นดาราสวยๆนะรู้สึกไหมเห็นดาราสวยๆใจมันชอบอะ่ะเวลาที่ใจชอบเขามันก็ลืมตัวเองอยู่นะมันหลง หลงรูปนึกว่าดารานี่ดีทุกอย่างเลยความจริงร้ายจะตายไปตัวจริงนะแต่โอยเขาเล่นดีมากเลยเป็นคนเรียบร้อยอยังกระสาวชาวรั้วชาววังตัวจริงยังก็ลิงกัะข้างปนเหมือน น, นะใจเราหลงกิเลสที่ยังไม่เกิดนะก็เกิดกิเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นตกนรกชื่อฮันสิตะ ตาบรูปตถาได้ ย, ยินคําตอบนะสะเทือนใจสมเหตุสมผลนะนี่ทำกิเลสของตัวเองให้ฟูทํากิเลสคนอื่นให้ฟูขึ้นมาทํากุศลของตัวเองหายไปกุศลคนอื่นก็ไปทําเขาหายไม่จะขึ้นสวรรค์ยังไงแกก็เลยออกบวชนะบรรลุพระอรหันต์เรียกแกไม่ได้แลเรียกท่านเป็นพระตาลปุตตะบรรลุพระอรหันต์นนี้พวกเราก็ต้องระวังรักษาจิตนะ ตาเห็นรูปรู้ทันหูได้ยินเสียงรู้ทันกิเลสของเราเราก็คอยดูแล้วอย่าไปทำกิเลสคนอื่นให้ฟู ด, ด้วยนะทีเราไปแกล้งเขาหยอกเขาเล่นนะแย่จนเขาโมโหนะบาปนะเคยั้ยไปเล่นกับเพื่อนไปแย่ๆแล้วพ่าโกรธเคยั้ยบาปเพราะอะไรทำมากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเลยเรา มีสตินะรู้เท่าทันใจของเราไว้รู้ทันใจของเรานะมันก็เห็นเอาเห็นใจคนอื่นด้วยไม่เบียดเบียนง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกรู้จักความสุขไหมต่อไปนี้ถ้าใจมีความสุขให้รู้นะรู้จักความทุกข์ใช่ไหมใจมีความทุกข์ให้รู้รู้จักโลภโกรธหลงไหมโลภให้รู้โกรธให้รู้หลงให้รู้ ความสุขความทุกข์หายไปให้รู้รลภโรวห ล, ลงหายไปก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นละรู้อยู่ที่ใจอันเดียวนี่เองอันนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตจริงๆปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดเราดับไปนั่นเดินปัญญาละ แล้ขณะที่รู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจนะกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นขณะที่ความฟุ้งซ่านของจิตเกิดจิตไหลไปไหลมาเรารู้ทันอีกนะเห็นดาราเดินมาใจวิ่งจะไปหาเขาแนละ้วใจมันวิ่งไปเห็นใจจะตั้งมั่นจะได้สมาธิขึ้นมาใจไม่วิ่งใจอยู่กันเนื้อกันตัวจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดดับอันนั้นคือปัญญา งั้นอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยนะเรากาลังพัฒนาอะไรอยู่พัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาอยู่ด้วยการเจริญสติอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่กับโลกธรรมดานี้ถ้าฝึกตรง น, นี้ได้นะเราปฏิบัติได้ทั้งวันเลยถ้าปฏิบัติเก่งเฉพาะตอนไหว้พระสวดมนต์ในรูปแบบนะวันหนึ่งจะทําได้สักเท่าไหร่เฉียวได้นิดเดียวเวลาที่เหลื อ, อไปหลงหมดเลยแต่ละวันนะต้องแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบ ไม่งั้นเหมือนเหมือนขึ้นสนามชกมวยแล้วไม่เคยซ้อมเลยนะไม่นานก็โดนน็อกนะการทำในรูปแบบทำอะไรบ้างนะให้เราแบ่งเวลาไว้นะวันหนึ่งสัก15นาทีก็พอแล้วไม่ต้องเยอะเริ่มต้นไว้พระสวดมนต์สวด น, นิดหน่อยพอไม่ต้องสวดยาวคนสวดยาวตั้งครึ่งชั่วโมงไม่จบเลยไม่ได้ปฏิบัติอย่างอื่นสักทีสวนมนต์นิดหน่อยอนะรหางสัมมา นโมตัสสะอิติปิโสภะคะวาสวาขาโตสุปฏิปันโนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วใช้เวลาประมาณ3นาทนะีเวลาที่เหลือเรามาปฏิบัติลนะนะถ้าวันนี้ใจเราฟุ้งซ่านมากการทำในรูปแบบวันนี้ทำไปเพื่อความสงบใจมันฟุ้งคิดตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องพามันมาคิดเรื่องเดียวคิดพุดโทโธพุโทโธคิดอยู่เรื่องเดียว คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดอยู่เรื่องเดียวในะจไปได้อยู่ในอารมณ์เดียวนะใจก็สงบเนี่ยเคล็ดลับของการทําสมถะคือน้อมใจให้อยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะใจก็สงบนี่อีกวันหนึ่งเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จใจมันก็สงบอยู่แล้วนะคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่แล้วเราก็มาฝึกซ้อมให้จิตตั้งมั่นก็มานั่งต่อนะ หรือจะเดินก็ได้พุทโธไปหายใจไปก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตเราจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเวลาให้รู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆอย่าไปห้ามตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะหยุดเคลื่อนโดยที่ไม่ได้เจตนาให้หยุดมันจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัตินี่วันนี้มีสมาธิสงบสบายพอสมควรและมารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็าจะได้ยกระดับขึ้นมาเป็นจิตตั้งมั่น เป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาอีกวันหนึ่งไว้พาะสวนมนต์เสร็จแล้วจิตตั้งมั่นอยู่แล้วนะก็เริ่มแยกธาตุแยกขันธ์เลยไหว้พระเสร็จแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูหรือเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเห็นกิเลสเกิดขึ้นในใจกุศลเกิดในใจใจเป็นคนดู เนี่ยฝึกเดินปัญญาการเดินปัญญาขั้นต้นนะั่นคือการแยกธาตุแยกขันยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเพราะอะไรเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งยังไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เพราะยังไม่เป็นวิปัสสนาแต่เป็นจุดตั้งต้นที่จะไปสู่วิปัสสนาพเราค่อยๆฝึกไปเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายยิ้มเอายิ้มก่นยิ้มก่อนยิ้มหวานๆเนาะยิ้มอย่างมีความสุขแล้วเห็นร่างกายยิ้ม คนไหนพัดอยู่ก็เห็นร่างกายพัดเห็นด้วยใจที่เบิกบานมีความสุขนะหลวงพ่อให้ยิ้มก่อนเพื่อให้ใจคลายใจคลายยิ้มบวานใจคลายแล้วนั่งพัดไปหเห็นร่างกายมันพัดด้วยใจที่ธรรมดาไม่งั้นถ้าไม่ไม่ระวังนะคิดถึงการปฏิบัติใจจะขลึมๆเอาละต่อไปนี้จะรู้การพัดละขลึมมากก็เป็นอย่างนี้นะ แล้วก็ซึมอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยนะไม่ได้กินหรอกอายิ้มแล้วเนี่ยตอนนี้ใจคลายนะรู้สึกลงในร่างกายด้วยใจที่คลายอย่างเนี้ยนะรู้สึกร่างกายด้วยใจที่ผ่อนคลายนะแล้วก็รู้สึกถึงความสุขนะด้วยใจที่ผ่อนคลายรู้สึกถึงความเบาด้วยใจที่ผ่อนคลายนะรู้สึกไปแลยวเราจะค่อยๆเห็นนะว่าร่างกายนีเป็นสิ่งที่ใจไปรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอก ความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปนะไม่ใช่ตัวเราเหรอกตัวนั้นเดินปัญญาละเพราะนการทำในรูปแบบนะเริ่มจากไหว้พระสวดมนต์ถ้าอย่างฟุงนะ้งซ่านนักทำสมถะน้อมจิตไปอยู่ในรมันเดียวถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็คอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลามาจะได้สมาธิตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นแล้วนะแยกรูปแยกนามเห็นกายเห็นใจแยกกันเห็นความรู้สึกแยกออกไป ถ้ามันแยกแล้วก็ดูแต่ละอันมันเป็นไปเองมันไม่เที่ยงนะเป็นไปเองนี่เป็นอนัตตามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันบังคับไม่ได้นะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆนะยดูอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญาเพราะงั้นการทําในรูปแบบนี้ทําได้ครบนะนะแต่ทําสมถะทาําจิตให้ตั้งมั่นนะแยกธาตุแยกขันเห็นไตรลักษณ์ของธาตุขันคือเจริญปัญญาเนี่ยซ้อมของเราไปนะ วันไหนมีแรงทําได้ดี่กีแค่ไหนก็ทําตรงนั้นนะสมมติว่าวันนี้ฟุ้งมากเลยมาพุโทโธพุโทโธเอ้าสงบแล้วสงบแล้วเลิกไหมไม่เลิกยังไม่หมดเวลาก็มาฝึกจิตตั้งมัน่นเอาตั้งแล้วแยกขันไปเอาแยกแล้วนะก็ดูใจรักของขันไป <Yeah. S 2> ในสิบห้านาทีนะซ้อมทุกวันนะจะเป็นจะตายก็ต้องเอาสู้ต่อไปจะยกระดับได้นะเดี๋ยวนี้บางคนทําได้วันหนึ่งสาสี่ชั่วโมงแนละ แลวเวลาที่เหลือละเวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตประจําวันตาหูวจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้ทันก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะทำให้ได้อย่างนี้นะชั่วโมงปฏิบัติในแต่ละวันของเราจะยาวนานมากเลยถ้าประเภทนั่งสมาธิเดินจงกร ม, มวันละหนึ่งชั่วโมงเวลาที่เหลือขาดสติผลเลยปฏิบัติได้ชั่วโมงเดียว พวกเรานั่งสมาธิเดินจงกรมสิบห้านาทีแต่อีกสิบกว่าชั่วโมงที่ตื่นอยู่นี่ปฏิบัติอยู่ใครมันจะเก่งกว่าใครให้มันรู้สะบ้าง <c oughs> สมัยก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะส่งกันบ้านพวกพระพวกชีบางทีตามมาฟังพระถามเลยว่าโยมทำได้ไงพระฝึกตั้งสิบปี20สิบปีไม่ได้เท่าโยมหนะลวงพ่อเลยบอกความลับให้ท่าน บอกท่านปฏิบัติในรูปแบบนะวันหนึ่งสาชั่วโมงอะไรเงี้ยผมทำทั้งวันยืนเดินนั่งนอนทำทั้งวันดงนั้นถ้าเราฝึกในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะในรูปแบบเพราะต้องทำด้วยถ้าไม่ทำเลยนานๆนนไปจะหมดแรงจะไม่มีแรงต้องทำแต่ทำไม่ต้องมากนะเริ่มต้นเอา15นาทีก่อนต่อไปก็ค่อยขยยบขึ้นไปเองกำลังมันจะมากขึ้นมากขึ้น เวลาที่เหลือทำในชีวิตประจาวันยกเวน้นยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับ2องเวลานี้ยกเว้นให้ชีวิตของคนเรารุนนี้ก็ประมาณ75ป็ปีเราไปนอนซะ25สปีแล้วเราใช้เวลานอนเยอะนะยีปีจาก 75% หรเหลือ50ปี50ปีเนี่ยเอาไว้ทำงานส่วนหนึ่งนะที่เหลือเอาไว้ทำอะไรที่ไร่สาระ หาประโยชน์ไม่ได้เลย24บสี่ชั่วโมงนอนเิ่งหนึ่งในสมเท่าไหร่เท่าไหร่น ะ, ะสมมติว่านอน8ดชั่วโมงนี้ก็เบบี้มากแล้วชั่วโมงนอน8ชั่วโมงเหลือเท่าไหร่16บหใช่ไหมทำงานวัละกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหักเวลากินข้าวชั่วโมงหนึ่งเหลือ7นะ็ดเวลาที่เหลือเอาไปทำอะไรทำเหลียวไหลเอถ้าภาวนาได้นะได้เกิน8ดใช่ เวลาที่เหลือมีหนาซ้ําในเวลาเจ็ดชั่วโมงที่ทํางานนะหากเวลากินข้าวไปชั่วโมงนะึงเจ็ดชั่วโมงที่ทํางานเนี้ยใจลอยซะอีกเกินครึ่งนะทํางานจริงๆน้อยมากเลยงั้นเอ๊ะเจ็ดชั่วโมงจริงๆอ่ะทำไม่ถึงหรอกทำจริงจริงกันนะสามสี่ชั่วโมงก็บุญแล้วละอีกสองสามชั่วโมงนะเอาไว้ใจลอยถ้าใจลอยเนี่ยเอามาภาวนานะกับอีก แชั่วโมงภาวนาเก้าชั่วโมงรวมเวลากินข้าวตอนทํางานด้วยวันหนึ่งได้เท่าไหร่อะสิบสองบสามชั่วโมงนะเยอะนะภาวนาได้วันละสิบสาชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงพวกที่นั่งวันละสมชั่วโมงจะสู้เราได้หรือสู้กันไม่ได้หรอกนะเพราอนฝึกนะปฏิบัติในชีวิตประจํำวันได้แล้วทําในรูปแบบ แต่เบสิกที่สุดรักษาศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้าใจจะฟุ้งสัน้นสมาธิจะเสื่อมคนผิดศีลน่ใจมันจะวอกแวกคนมีศีลน่ใจมันจะอยู่กันเน้อกันตัวง่ายไปทำนะทำอย่างที่สอนนี่แหละในเวลาไม่นานหรอกก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเอ้าส่งกันบ้าน อาการค่ะหลวงพ่อคือช่วงนี้โทรสะมันเกิดบ่อยะคะ่ะก็ฟุ้งบ่อยโทรศท์มันเกิดเองหรือว่ามีอะไรบิ้วมันแล้วก็จิตตั้งมั่นมากขึ้นนะคะออจากการทำไปเรื่อยๆะคะ่ะใช่จิตตั้งมัน่นก็ใช้ได้นะโทรศัพท์เกิดแล้ว ร, รู้ว่าโทรศัพท์เกิดก็ยังใช้ได้นะไปดูเอาขอบคุณค่ะให้<อ>จิตตั้งมั่นเป็นคนดูบ่อยๆนะ ดีถวายเป็นพุทธบูชาก็ดีขอถวายเป็นพุทธบูชาอคุณค่ะน้ำมัสการ์ค่หลวงพ่อรู้สึกเหมือนจะกลับกลับมาติดเพลงอีกอะค่ะเออเพลงทำไงดีก็รู้เฉยๆแต่มันไม่ก็เฉยเรมันก็ให้ดูใจที่ไม่ชอบไม่ชอบเออดูตรงนี้ไม่ใช่ดูเฉยๆนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบค่ะไปรู้ไปดูเอา การรำัสการพระอาจารย์ค่ะโยมปฏิบัติตามซีดีมานานแล้วรอที่จะส่งการบ้านอยู่ห้าปีแล้วค่ะโอ้โหแนวปฏิบัติของโยมเนี่โยมใช้ดูใช้รู้สึกกายเพ็นเครื่องอยู่แล้วก็ตามดูรูปรูปนา ม, มโยมมีความรู้สึกว่าโยมรียกขันได้บ้างแล้วแต่เกิดดับ ยมยังสงสัยอยู่พระอาจารย์ค้าโยมสังเกตตัวเองเวลาไปออกกำลังเต้นแอโรบิกโยมจะเห็นกิ่ของโยมเคลื่อนโดยเคลื่อนไปดู<ม>ไปดูคนนำเต้นแล้วก็เคลื่อนมาฟังเพลง<อ>แล้วกลับมาดูตัวเอง<ม>แล้วก็ไปดูคนข้างๆแล้วบางทีถ้าเพลงสนุกก็รู้สึกเต้นสนุกก็ชอบถ้าไม่สนุกก็ไม่ชอบแล้วบา ง, <ม>บางทีก็บางทีก็ดูคนข้างๆเห็นเขาเต้น เต้นเก่งเต้นดีก็รู้สึกหมั่นไส่แต่ถ้าใครที่เขาเต้นไม่ค่อยดีก็รู้สึกเยืนยันในใจ<อ>แล้วการที่โยมมองไปเห็นนู่นนี่มองไปเห็นไปฟังนี่ใช่เกิดดับหรือเปล่าพระเจ้าค่ะเกิดดับไม่ดูที่ข้างนอกนั้นนะดูที่ใจเราเดี๋ยวก็หมั่นไส่เดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวอะไรดูตรงนี้ที่เดียวนี้เอง แต่ว่าตัวนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปกระทบแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนแล้วคอยรู้เราเห็นไหมความรู้สึกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนั่นแหละและ้วที่โยมที่โยมปฏิบัตินิยมมีปัญหาก็คือโยมรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ทนันรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็กุศลอกุศลโลภโกรธหลงโยมรู้สึกไม่ทนัน ส่วนมากมักจะตามหรือไม่ก็มักกะมักเก็บคล้ายๆกับพูดตามนะสุกอะไรเงี้ยพูดเป็นนี้พูดเมือนจะพากนะคะต้องต้องไม่ทันต้องไม่ทันนะทันไม่ได้จะค่ะโยมโยมอยากขอคือโดยเฉพาะในแนวในระหว่างวันนี่โยมจะมีความรู้สึกว่ามันเละหลายเรื่องเข้ามานี่โยมจะดูเป็นมัวมัวเป็นอะไรไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้จะเรือยก็เพลินเพินไปเลยอะไรประมาณนั้นรู้รู้ที่ใจนิดเดียวนะรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ใจ แค่นี้ก็พอละมันนานไหมคะที่เจ้าคะอยู่เขางสื่อว่ามันนานลมาถึงใจมาถึงใจคือดูว่าใจเป็นยังไงเจ้าคะแค่รู้ทันเท่านั้นสุขทุกข์ดีชั่วรู้ไปให้เห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกชั่วคราวดีชั่วชั่วคราลแต่อันนี้จะไม่ค่อยนานนี่เจ้าคะไม่นานเลยไม่ใช่ไม่นานานกว่าที่จะเห็นเป็นเป็นอย่างนี้จะต้องหัดดูบ่อยๆ สนใจมันบ่อยๆแนวปฏิบัติที่จะทําให้โยมนี่เห็นตัวนี้บ่อยๆนี่ที่ทำยังไงจ้าค่ะสนใจดูบ่อยๆสนใจจ้าค่ะสนใจดูบ่อยๆดูบ่อยๆคอยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆแต่อย่าจ้องถ้าจ้องเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกนะใจจะทื่อๆเลยใช้ไม่ได้นะแล้วก็เวลาดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดแล้วรู้เกิดแล้วรู้ไปเลยแล้วบางทีมันมันเป็นเห็นเห็นเห็นเห็นแล้วก็ คือมันเห็นทั้งฟังทั้งได้ยินอะไรไ ป, ไ ป, ไปแล้วค่อยรู้สึกรู้สึกสุขทุกข์อะไรขึ้นมาค่อยปรุงอะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ก็พอได้ไหมคะเรื่องนีพอได้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาโยมนั่งปฏิบัติดูจิตโยมนั่งไปนั่งไปมันจะนิ่งเงียบเข้าสมาธิคือมันเหมือนรว ม, มเข้าสมาธิแล้วโยงก็รู้จะไปยังไงแล้วบางที<ป>บางทีโ ย, <ป>ยมนั่งสมาธิแก็อยู่อะไราสมาธิเองหน่อยมันก็ตื่นขึ้นมาอื โยมจะทำยังไงต่อไม่ไม่ว่ามันนะมันอยากรวมให้มันรวมไปพอมันขึ้นมาแล้วก็มาดูต่อโยมหยุดค่ะพอไปเน้นโยมก็หยุดเลิกไม่ต้องเลิกหรอกจิตรวมก็พักผ่อนไปพักผ่อนไปใช่ไหมนะพอจิตถอนขึ้นมาก็เดินปัญญาต่อเลยแล้วถ้าทําสมาธิแล้วเขาตื่นขึ้นมาเองก็ดูต่อเดินปัญญาต่อไปเลยอ๋อเจ้าค่ะแล้วอย่างเช่นเราในชีวิตประจำวันนี้ถ้า ถ้าโยมทํางานบ้านแล้วโยมโยมรู้สึกในเนื้องานนะคะเป็นปุ๋งหรือเปล่าเจ้าคะเป็นปุ๋งแต่หรือเปล่าเจ้าคะรู้สึกที่กายที่ใจเรามีสติค่ะมีสติออรู้ในเนื้องานนะเจ้าคะเนื้นสติออกนอกไม่ใช่สติปัฐานไม่ใช่ปุ๋งใช่ไหมปุ๋งหรือเปล่าเจ้าคะเป็นฟุ้งใช่ไหมเจ้าคะฟุงะฟ้งออกไปข<อ>้างนอกแล้วไม่ใช่ดูดใจใหดูดใจเจ้าคะเออคือในเนื้องานรู้สึกมีสติในเนื้องานที่ทำนะคะสักผ้าตรงนี้มันดํามันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอย่างนั้นก็รู้ไปมีหน้าที่ทํานะเนอก อ๋อเจ้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโยมโยมเชื่อเมื่อมีเทวดาแล้วโยมก็คารมก็คือเรากล่าวไหว้บางทีทําความดีแล้วยังแอบขอพรนิดๆโยมติดเสื้อผ้าปามาหรือเปล่าเจ้าค่ะอืมไม่เป็นไรหรอกยังไม่ใช่โสดาเจ้าค่ะ <c oughs> อพอาคือถ้าโสดาเนี่ย ถ, ถ้าติดตรงนี้ผ่านไ้ยคะเป็นโซดาโสดาบันได้ไหมเจ้าค่ะเทวดาเนี่พูดใุ้ธเจ้าไม่ได้ห้ามไหว้นะอืะ เทวดาเนี่ยบอกการไหว้การบวงสรวงสังเวย อ, อะไรมีผล <c oughs> นะยิ่งเราทําบุญด้วยนะแล้วเรานึกถึงถ<า>อะไรเงี้ย น, นะเทวดาก็ดีใจ ถ, ถ, ถ, ถ้าช่วยได้เขาก็ช่วย <c oughs> ท่านบอกอยู่นี้นะกลัวจะติดศิลปะประมาทใช่ไหมะศิลปะประมาตัวนี้อยู่ตัวศิลปะต่าประมาตนะคล้ายๆว่าคิดว่าเทวดานี่ช่วยให้เราบรรลุมากผลได้ส่วนมากก็ทําความดีก่อนแล้วก็ขอพรอขอไปเถอะไม่ เ, เป็นกําลังใจ แต่เทวดาไม่สามารถช่วยให้เราบรรลุมรรคผลได้แล้วอีกอันหนึ่งอาการเพ่งตัวผู้รู้โยมยมยมไม่ค่อยเข้าใจเลยเออไม่เข้าใจก็อย่าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปจ้องตัวจิตไว้ก็แล้วกันจ้องจิตไว้จะเป็นเพ่งผู้รู้อให้คนเห็นบ้างหลวงพ่อครับมาอยู่วัดคราวนี้หนูรู้สึกกลัวตุ๊กแกน้อยลงเออดีตุ๊กแกมันน่ารักขึ้นมั่งมันอ้วนกว่าเก่า แล้วหนูมาปฏิบัติมืดมือนะคะก็ไม่กลัวด้วยอดีค่ะเราคุ้นเคยไงที่นี่ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวนะใช่มีแต่งูเด็ดอย่าไปเหยียบมันเถอะล้วกันมันผ่านหน้ากุติหนูด้วยเอา้เอามันผ่านมาก่อนนะหนูมาทีหลังหลวงพ่อคะแล้วก็มาคราวนี้รู้สึกเห็นความคิดนะคะบ่อยเออดีใช้ได้อย่างนี้เติบโตขึ้นนะหนูรู้สึกไหมว่าใจมันมีแรงมากขึ้น ใจมันอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วหนูต่อไปนี้หนูดูหน้ากายกับใจเป็นคนละอันเห็นไหมยังไม่เห็นนะเห็นไหมตัวอะไรใส่หน้ามันรู้สึกว่าเป็นตัวเองเยอะมากเลยอะค่ะมันยังเป็นตัวอยู่ดูความรู้สึกไปนะเวลาความรู้สึกมาความรู้สึกไปคอรู้เรื่อยแล้วตัวตนมันจะหายไปดูดูจิตไปดูความรู้สึกไว้บางทีถ้ามารู้กายไงค่ะมันรู้สึกมันเพ่งเลยอะค่ะก็เลยดูจิตไป ดูติดดีกว่าใช่ไหมคะอ๋อหลวงพ่อคะแล้วเมื่อวานเดินจงกรมอยู่อยู่ดีมันก็รู้สึกว่านี่คือตัวเรานี่ก็มือนี่ก็แขนนี่ก็หน้าเราอะไรยเงี้ยค่ะยังไงมันก็ของเราอยู่ดีเออดูไปก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องแกล้งมานยาว่าไม่ใช่เราน ะ, ะรู้สึกรู้ความรู้สึกไปซื่อๆมันเป็นเราก็เป็นไปก่อนค่ ะ, อะขอบคุณ ค, ค่ะทุ๊กแกน่ารักนะทุกแกสวย คือที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นคนโลภให้ฝึกดูกายใช่ไหมค ะ, ะถ้าถ้าเป็นคนโลภให้เลือกดูกายอ๋อไม่ใช่หลวงพ่อบอกวนะ่าถ้าเป็นตัณหารจริตนะพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยเหมาะกับการดูกายถ้าทิฏฐิจริตเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะให้ดูจิตมไม่ใช่เป็นคนขี้โลภให้ดูกายนะ ค่ะค่ะตอนแรกหนูคิดว่าเออถ้าถ้าเป็นคนโลภให้เลือกดูกายนี่มันหมายความว่ายังไงไม่ใช่หนูจํามาผิดนะหนูครับไม่ได้สอนอย่างนั้นแล้วก็ปกติเนี่ยหนูจะจะนั่งสมจะนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็มีมีวันหนึ่งสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิก็โอเคก็ดีขึ้นค่ะแล้ววันหลังมานั่งสมาธิ ทิ้งไว้นานนะคะแล้วก็นอนปรากว่านอนช่วงที่นอนอหนูสวดมนต์แล้วมันแน่นค่ะอืแน่นแล้วก็ตัวหนักไม่ไม่สบายอืมก็รู้อย่างที่นั้นอย่างที่มันเป็นบางทีตัวก็ใหญ่นะตัวเป็นภูเขาเลยก็มีตัวหนักไปเลยก็มีใ่คะเป็นอาการของปิติทั้งหลายมีตัวโตใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เราอึดอัดหนักแล้วก็แบบบางคนชอบนะสนุกไมไม่หใหญ่ดีไ <laughs> เหนื่อยค่ะ <laughs> เป็นอาการของสมาธิแล้ว<อ>ไม่ใช่เป็ษษนปััชนาแล้วค่ะน้มัศการค่ะครับนมัศการหลวงพ่อคะ่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสี่ปีกว่าๆยังไม่เคยมีโอกาสส่งกันบ้านคะ่ะคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะเข้าใจว่า การที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือต้องนั่งสมาธิไปเรื่อยๆะค่ะเหมือนที่หลวงพ่อเคยเทศในซีดีทีนี้มีจุดจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองแบบ เ, เวลามีความทุกข์เนี่ยก็จะนั่งสมาธิเพื่อกดไว้แต่พอออกจากสมาธิปุ๊บแล้วรู้สึกว่าอารมณ์มันจะแรงกว่าเดิมใช่มันจะแรงกว่าเดิมค่ะแล้วพอได้มาฟังซีดีหลวงพ่อปุ๊บ ก, ก็ถึงได้รู้ว่าหลักปฏิบททัติที่แท้จริงเป็นยังไงค่ะก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็อาศัยการปฏิบัติโดย ดูจิตในชีวิตประจำวันนะคะดูความปรุงแต่งต่างๆที่เข้ามากระทบใจแล้วก็ถ้าช่วงที่รู้สึกว่าใจไม่มีแรงแล้วก็จิตมันฟุ้งมากๆเนียค่ะก็จะมาอยู่กับลมหายใจอะคะ่ะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะฟุงฟงฟ้งบ่อยอะคะ่ะพอฟุ้งบ่อยไม่เป็นไรเ้ารู้เอาห้ามไม่ได้นะ ทำถูกแล้วไปทำอีกค่ะหลวงพ่อคะแล้วก็อีกนิดนึงคะ่ะในเรื่องของเครื่องอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าโยมถ้าเกิดช่วงนี้ดูดูกายได้โยมก็จะดูกายแต่ว่าถ้าช่วงถ้ามันฟุงฟ้งฟุ้งฟุ้งออกไปมากๆมีเรื่องคิดเข้ามาในในในในหัวมากๆเนี่ยก็จะอาศัยบริกรรมทีๆช่วยถูกต้องพอมีแรงพวกก็ออกไปรับอารมณ์ต่อเนี่ยค่ะถูกต้องแล้ ว, ลวเวลาเราจเจริญปัญญานะแล้วใจฟุ้งซ่านก็ทําความสงบ ทำสมถะถูกแล้วพุโทโพุโทโธพุโทโธเร็วๆไม่ให้มันไปที่อื่นแล้วคำบริกรรมนี่เราเปลี่ยนได้ไหมคะได้ได้ข อ, อกัรบ้านเพิ่มค่ะทำให้สม่าเสมอนะกราบกราบหลวพ่อค่ ะ, อ, ะอายจังเลยค่ะที่จะถามคำถามนี้เราจะทำยังไงกับความกลัวที่ไม่น่าจะกลัวแต่เรากลัวห้ามมันไม่ได้หรอก ให้เรารู้ทันใจที่ไม่ชอบไปใจที่ไม่เป็นกลางน ะ, นะรู้นะคะหลวงพ่อขาเข้าไป<น>แล้วก็บอกว่าเราต้องรู้เราตื่ น, นแต่เราไม่เบิกบานเลยก<อ>็คือดิ่ท่านกลัวเป็นอะไรที่น่ากเกลียดมากกลัวเก้าอี้ทำฟันโอ้แต่คนก็กลั ว, บบลวมากดี่ท่านเห็นจิตที่กลัวนี่ออกมาให้เห็นเลยอี่ท่านก็มองกลับไปว่านี่เขาออกมาให้เห็นแล้วนะข้างในนี่ยังกลัวอีกเหรอเขาก็ตอบว่าก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบหรอก นี่มนเรียกหลวงพ่อให้ช่วยหมอฉีดยาแล้วไม่ชาเลยค่ะเจ็บหนักไปอีกรต้องฉีดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วอย่างนี้ดูแล้วเห็นแล้วว่าไม่ชอบเห็นแล้วว่าพิจารณาไปเลยเรามีกรรมเป็นของตนมีร่างกายเนี้ยนะหลวงพ่อจะบอกความลับให้เวลาเมื่อก่อนนะไปทำฟันนะโอ้ยเมื่อยมากเลยหลวงพ่อเอาจิตไปไว้ที่หัวไม่เท้า ใจเราก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่กับหัวไม่เท้านะหมอทำให้ไม่เจ็บหรอกดิฉันพยายามทำแต่ว่าหงุดหงิดมากค่ะหงุดหงิดรวมไม่ได้คุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็เหมืหมอนห้ามไม่ได้รอกค่ะแล้วเหมือนคนไม่สุภาพมองหมอแล้วก็ตะค อ, อกหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะโถหมอนั่งสัง หลวงพ่อให้ดูไปเฉยๆใช่ไหมคะเราเราแก้ไขไม่ได้หรอกนะโดยเฉพาะการทําฟันเนี่ยเป็นเรื่องแค่เสียงของมันก็สะเทือนใจแล้วนะแค่เราอยู่นอกห้องนะั้นได้ยินเสียงกรอฟันเนี่ยนะโอยใช่ใชยากจะ ก, กินมะม่วงนะ <laughs> หน่อยห้ามไม่ได้หรอกโยมมีฟันก็ต้องทนทําไปนะ <laughs> ใจเย็นๆวันหนึ่งมันก็หมดไปเองแหละ <laughs> ทําฝันนี้ยกเว้นเลยอย่างดีนะว่าตามสถิติเนี่ยตายคาเขาอี้ทาฝันไม่มากมีเหมือนกันนะแบบเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมีไม่มากครับกับนมัสการหลวงพ่อครับอยากจะถามหลวงพ่อครับคื อ, อตอนนี้เป็นวิบากจากการติดเพ่งครับ อ, อแล้วก็จะมีเวทนาอยู่ตลอดเวลาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรากําหนดเวทนาเป็นอารมณ์ครับ แล้วทีนี้มันก็เกิดเห็นอาการเกิดดับกระดับอตอนนั้นก็เราก็เป็นผู้ดูอยู่เสร็จแล้วอยู่อาการดับก็ดับไปเองแล้วก็อยู่ก็ทุกอย่างก็เหมือนอกลายเป็นระนาบเดียวอืครับเกิดขึ้นท่า น, น, นเข้าใจว่า เ, ออเราเข้าสมาธิหรือเปล่าประมาณนี้เป็นสมถะหรือเปล่าครับหลวงพ่อเป็นจิตมันรวมได้ เ, เวลาที่เราเจริญปัญญาไปนะั้นจิตก็เข้าสมาธิเป็นธรรมชาติเลย แทีนี้คนจะทํำยังไงกับอาการเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกําคาญแล้วก็จะมักจะไปเพ่งให้มันหยาบเวลาเวลามีสภาวะธรรมเกิดขึ้นนะจะเวทนาหรืออะไรก็ตามะจิตดินดีให้รู้ทันจิตดินร้ายให้รู้ทันอันนี้จิตไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบไปไม่ต้องดูที่ตัวเวทนาละท่านดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลใจไม่ชอบรู้ใจนี่คือ อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นที่กลางอกใช่ไหมครับ แต่อย่าไปเพ่งมันนะเพ่งกลับนมามัสการหลวงพ่อจ้ะค่ะส่งกันบ้านค้าวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดสมถะแล้วก็ให้ไปดูความโกรธเล็กๆน้อยๆค่ะทีนี้ความโกรธเล็กๆน้อยๆเนี่ยตามทันแล้วว่าจิตมันพุ่งออกไปแล้วมันก็ก็กลับเข้ามาแต่ว่าพอเวลาโกรธมากๆเนี่ยเห็นจิตมันพุ่งออกไปจริงคท้แล้วมันก็มีช่วงว่าง ไม่รู้อะไรเลยพอรู้ตัวเอีดิอ้าวก็ยังยืนอยู่ที่เดิมนึกว่าเราออกไปตุ๊บต้าบเขาซะแล้วไอ้ช่วงว่างๆเนี่ยค่ะยังตามไม่ทันมันไม่ต้องใจเป็นสมาธิขึ้นมาก็ไม่ว่ามันนะะให้มันเป็นไปไม่ว่ามันหรอกค่ะแล้วอย่าไปตุ๊บต้าบเขาก็แล้วไปมันแบบมันไม่ไม่ต้องดูอะไรไม่ไม่ต้องรู้ว่าเราคือสมาธิอยู่หรืออะไรไม่ต้องไม่ต้องเป็นไงก็รู้อย่างที่เป็นค่ะค่ะ น, น้ำมัสงการหลวงพ่อครับผมผมไม่เคยส่งการบ้านทักทีได้ฟังแต่ทีดี ม, มาตลอดนะครับั้งนี้ก็เป็นครั้งแรก<ม>คือมีว่าผมได้เข้าโรงพยาบาลรักผ่าตัดหัวใจครับเปลี่ยนลิ้นหัวใจ<ม>นี้พอช่วงเข้าพ อ, พอหลังผ่าตัดเสร็จผมก็ไปนอนห้องไอซพอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้ น, นรู้สึกว่าหายใจลำบากเพราะว่ามีเครื่องช่วยหายใจอยู่ ออืมผมก็รสึกทรามานทีนี้พอได้ระยะหนึ่งทางคุณหมอก็ถอดเครื่องช่วยหายใจออกผมก็ในความคิดผมว่ารู้สึกว่าจะเจ็บเจ็บยังไงก็ต้องเจ็บแน่นอนนี่ผมก็พอช่วงคุณหมอทําผมก็เห็นความเจ็บขึ้นมาไม่รู้ยังไงผมก็คิดว่ามันยึดแล้วความเจ็บผมหันรีบหันมาดูกายในช่วงนั้นผมรู้สึกว่าความเจ็บมันหายไปแล้วครับอืรู้สึกว่าใจสบายขึ้น ไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเหมือนเหมือนเหมือนดีขึ้นเหมือนไม่ได้นอนอยู่ในห้องไอทีเหมือนผมอยากใจใจมันเป็นสมาธิสินะเราน้อมกลับมาดูกายอยู่ในอารมณ์เดียวมารูกายใจไม่ฟุ้งซ่านไปก็สบายใจมันได้สมาธิขึ้นมาแต่ไปนี้มาดูกันทำงานไปเรื่อยนะแต่ว่าอย่าหนีบ่อยนะอย่างนั้นเป็นวิธีหนีทำให้เราไม่เห็นทุกข์ เวลามีความทุกข์ขึ้นมาเราก็หลบป๊บอยู่กับกายสบายไม่ทุกข์ละเดี๋ยวนานไปเดี๋ยวมันชินาจจะหนีเข้าหาความสุขนะอดทนไปมีความทุกข์ขึ้นมาดูไปนะกายมันทุกข์หรือมันไม่ได้ทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่กายแต่กายไม่ได้ทุกข์ความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ที่ใจใจเป็นแค่คนดูค่อยๆดูค่อยๆแยกนะถ้าหนีไปปุ๊บจิตรวมจิตรวมว่าเป็นสมาธินะ ได้สมาที่อย่างน้อยก็ยังดีแหละดีกว่าไม่ได้อะไรเลยก็มีความรู้สึกว่าหลังจากนั้นรู้สึกจะจิตใจสบายสบายมีความสุขเห็นไหมมันมีความสุขนะดีขอบคุณมากครับผมใช้ได้นะดีแต่เพีนี้ก็ดูกายดูใจไปเรื่อยนะเห็นมันทุกไปเรื่อยถึงว่าหนึ่งใจไม่วางปล่อยไม่งั้นถ้าเราหลบเข้ามาที่ความสุขนั้นเราจะติดอยู่ในความสุข เวลามีความทุกข์เราก็หลบมาอยู่ตรงนี้สบายมันกลาเป็นที่หลบไปครับผมยามออกมาดูทุกข์บ่อยๆแต่ภาวนาสบายและ้วล่ะมีความสุขขอบคุณมากครับกลับน้ำมัศการหลวงพ่อคะ่ะโยมก็ปฏิบัติโดยพุทโธแล้วก็เดินจงกรมคะ่ะก็เห็นทุกข์บ่อยก็ปีที่แล้วมากลับหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนาว่า ให้เห็นความอยากก่อนที่จะทําอะไรทุกอย่างก็ทําให้เห็นจิตเกิดดับได้บ่อยขึ้นคือก่อนหน้านี้แทบไม่ค่อยเห็นเลยอะคะ่ะแต่โดยโรวมก็ยังรู้สึกรังเกียจทุกข์แล้วก็ดิ้นรนผกากใสแล้วก็บางวันก็ง่วงซึมก็ปฏิบัติได้ไม่ดีอะคะ่ะกลาบขอคําแนะนำหลวงพ่อเจ้าค่ะดูไปเรื่อยจะเห็นความจริงไม่มีเราสักที่เดียวเลยกราบนักสาการ์หลวงพ่อครับในช่วงที่ปฏิบัติมี บางปฏิบัติในรูปแบบนะครับบางครั้งมันจะมีความรู้สึกอย่างเช่นเห็นพวกโทสะโมหะแล้วมันก็ย้อนกลับมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนมามาสนองตั ว, ต, วตัวเราแล้วก็เห็นตัวเราขึ้นมาชัดเจนอยู่สั้นประมาณสักประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยครับหลังจากนั้นก็ปฏิบัติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆครับมีบางครั้ง <c oughs> ที่ปฏิบัติแล้วรู้สึกรู้สึกแน่นแต่ว่ามันก็แยกออกจากเราก็รู้ว่าว่ามันแน่นแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่เห็นอธิบายได้เลยถ้าไม่เพ่งก็จะเป็นรู้สึกว่าไม่เพ่งมันก็แน่นของมันหรื อ, อว่าบางทีบางวันก็เป็นบางวันก็เป็นคือรู้สึกว่ามันหาเหตุผลไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้เหตุผลนะให้เห็นไปเลยว่าเราบังคับไม่ได้หรอกมันเป็นไปนเองมีติดขัดอะไรหรือว่าต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครับอย่าใจร้อนก็นแล้วกันดูเล่นๆไปเรื่อยแมชีค่ะนมาสการขลุงพ่อ คือวันหนึ่งเดินจงกรมอะค่ะแล้วมัน ตั้มั่นใจมันตั้งมันแล้วมันเห็นการเกิดดับที่กลางอกอะค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรมาเกิดมากระทบเกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันก็เกิดอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อเนื่องไปอะค่ะมันชัดมากแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ปกติที่เป็นอะเวลาดูเกิดดับอะค่ะมันยังต้องเหมือนคอยถามตัวเองว่าอันนี้อะไรหรือว่าทบทวนหรือว่าถามเอย่างเงี้ยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะตัวที่เราเห็นมันเกิดดับจริงๆนั่นแหละใช้ได้นะคะ ยังถามอยู่เนี่ยเป็นแค่จุดตั้งต้นหากดูสภาวะมันเหมือนใข้ควรถามตัวเองว่าอันนี้คืออะไรแล้วมันก็ค่อยดับเนี่ยค่ะอันค่ะอันนี้เป็นเพราะว่ากำลังเรายังไม่พอใช่ไมคแล้วบางทีเวลาเดินอ่ะมันใจมันไปดูจิตไปเหมือนกับว่าส่งไปดูจิตมากหรือว่าไปอยู่กับความคิดใจมันลอยออกไปเ่ค่ะคือให้เราต้องรู้ทันให้รู้ทันว่าใจลอยออกไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่กายหรือเปล่าค่ะ กลับมารู้สึกตัวสบายๆนะอ๋อจะจิตหรือกายก็ได้ตาให้รู้สึกตัวแต่อย่าไปจับ<ม>อย่าเอาให้มันลอยไปจับเอาตัวจิตเท่านะไม่นั้นจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยตัวนั้นไม่ดนะีอย่าไปจงใจดูจิตคถ้าจงใจดูจิตเนี่ยมันจะเกิดจิตซ้อนไปเรื่อยๆถ้า <พอ S 2> ตัวนั้นเราแก้ยากนั้นอย่าไปจงใจเห็นเกิดดับอยู่กลางอกนี่แหละดีค ก็เราลองหัดทำอนาปาตามที่หลวงพ่อสอนค่ะช่วงแรกมันก็ยังติดไปแช่ที่ลมแล้วก็ตอนหลังพอรู้สึกที่ร่างกายหายใจได้บ้างแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันติดนิสัยว่าจะไปลากลมหายใจแบบบังคับเนี่ยค่ะไม่ไม่รู้จะกแก้ยังไงดีแก้ไม่ได้ใหม่ๆเป็นทุกคนเลยให้ให้แบบทิ้งไปแล้วเริ่มใหม่หรือว่ารู้สึกอาไหม่ค <นะ S 1> ่ะขอบคุณค่ะกาบหลวงพ่อครับ พ่มาส่งการบ้านครับอืก็คือหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่มันไหลไปคิดนะครับอืมพอดีก็เลยตามดูจิตที่มันไหลไปคิดก็เลยรู้สึกว่าจะมีตัวผู้รู้ผุดขึ้นมาอมตั้งมั่นแล้วก็เด่นชัดครับออดีแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่าเห็นกายกับใจของเรามีคนละส่วนกันอืพอพอเรามองลงไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามีมีอีกความรู้สึกจะเข้ามาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปดูครับแล้วทีนี้ พอพอสภาวะเกิดขึ้นมันจะเข้ามาไม่ถึงใจครับมันจะอยู่แค่แค่ตรงอตรงไอ้ที่ใช่มาอยู่แค่ขันนะครับมาไม่ถึงจิตหรอกจะเข้ามาไม่ถึงจิตข้างในครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสภาวะที่ว่าไม่ดุนแรงสภาวะทั่วๆไปมันจะเข้ามาแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่ถ้าเกิดว่าสภาวะไหนที่ว่าดุนแรงกระทบกับจิตใจเรามันจะอยู่นานๆแล้วก็มันจะค่อยๆไหลไปเหมือนกับสายน้ําแล้วก็ เมื่อกลับหมอกควั น, นครับอืมแล้วค่อยไหลไปแล้วก็จะจางไปอืจางไปแล้วก็หายไปเลยครับแล้วเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเองว่าเออเรายินดีหรือว่าเรายินไลหรือว่าเฉยๆต่ อ, ตอสัมภาวะนั้นนะครับอก็ประมาณนี้ครับส่งการบ้านครับรู้ไปเลยนะแล้วถ้ามันรู้สึกกูเก่งขึ้นมาก็รู้ทันอีกนะก็รูนะ้บ่อยครับนั่นแหะมันมั น, มนโผล่ขึ้นมาเรารู้เอารู้บ่อยครับใช้ได้แล้วล่ะรู้รู้ยังว่าขันแต่ละขันมันทํางานได้เอง ก็เห็นแบบไม่ก้าวไก่กันครับใช่หรือว่าจิตตัวเดียวชอบไปก้าวไก่กันใช่ไหมตัวอื่นไม่เคยก้าวก่จิตเลยพอพอพอเขาเขาทำงานเสร็จปุ๊บเขจะคล้ายๆว่าเขาส่งให้กันอย่านเองเขาจะส่งส่งสภาวะให้กันใช่ใช่ครับมันเหมือนเล่นบาสเลยนะโดนรับกันเป็นช่วงช่วงนั่นแหละภาวนาไปนะเราจะเห็นว่าขันมันทําเองไม่ใช่เราหรอกตัวเราไม่มีหรอกขอกาปบ้นหลวงพอเพิ่มเติมครับถ้าถูกแล้วไปทําอีก รรรเราก็รู้ทันเวลากูเก่งกูเก่งนะหมดแล้วลาเชิญกลับบ้าน